สิอุปชายะวัตกถาว่าด้วยอุปชัยะวัตรเรื่องภิกษุนุ่งห่มไม่เรียบร้อยข้อ64สมัยนั้นภิกษุทั้งหลายยังไม่มีพระอุปชาไม่มีผู้ใดคอยตักเตือนพร่ำสอนจึงนุ่งห่มไม่เรียบร้อยมีมารยาทไม่สมควรเที่ยวบิธบาทเมื่อคนทั้งหลายกำลังบริโภคก็ยื่นบาทสำหรับเที่ยวบินบาทเข้าไปบนของบริโภคบ้าง บนของเคี้ยวบ้างกบนของลิ้มบ้างบนน้าดื่มบ้างออกปากขอแกงบ้างข้าวสุกบ้างด้วยตนเองมาฉันส่งเสียงดังในโรงฉันบ้างคนทั้งหลายพากันตนําหนิพระนามโพนธนาว่าชนัยสมณะเชื่อสายสกยาบุตรทั้งหลายจึงนุ่งห่มไม่เรียบร้อยมีบรารยาทไม่สมควรเที่ยวบินธบาตเมื่อคนทั้งหลายกําลังบริโภคก็ยื่นบาทสําหรับเที่ยวบินธบาติเข้าไปบนของบริโภคบ้าง บนของเคี้ยวบ้างบนของลิ้มบ้างบนน้ำดื่มบ้างออกปากขอแกงบ้างข้าวสุกบ้างด้วยตนเองมาฉันส่งเสียงดังในโรงฉันบ้างเหมือนพวกพราหมณ์ในสถานที่เลี้ยงพราหมณ์ะนันเล่าภิกษุทั้งหลายได้ยินคนเหล่านั้นกล่าวตำหนิพระนามพลธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความระมัดระวังใฝ่การศึกษา จึงตำหนิประนามพนธนาว่าชายนภิกษุทั้งหลายจึงนุ่งห่มไม่เรียบร้อยมีมารยาทไม่สมควรเที่ยวบินธบาทเมื่อคนทั้งหลายกําลังบริโภคก็ยืนบาตสําหรับเที่ยวบินธบาติเข้าไปบนของบริโภคบ้างบนของเคี้ยวบ้างบนของลิ้มบ้างบนน้ําดื่มบ้างออกปากขอแกงบ้างข้าวสุกบ้างด้วยตนเองมาฉันส่งเสียงดังในโรงฉันบ้างเล่าแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้สงสราบ